ทีนี้ต่อไปปัญหาข้อที่สิบสองอะไรเป็นการสงเคราะห์วารมีก็คือย่อได้สงเคราะห์ก็แปลว่าย่อได้ไหมคือคือเราผนวกแค้ว่าเคยเห็นของหลายๆอย่างแล้วเก็บมาซ้อนซๆ อ, อ, อยู่ด้วยกันได้ไหมอย่างเช่นกล่องมันมีกล่องหลายขนาดใช่ไหมกล่องหลายขนาดเอากล่องเล็กใส่เข้าไปในกล่องใหญ่ซ้อนๆ้ซน ซ, น ซ, น ซ, นซนกันสามสี่ชั้นห้าชั้นได้ไหม อันนี้เขาเรียกว่าการสงเคราะห์เนี่ยนะก็คือคือย่อๆลงมาสรุปสรุปจัดหมวดจัดหมู่เอาเข้าเข้ากลุ่มกลุ่มจัดหมวดจัดหมู่ได้ไหมก็ได้เนี่ยนะอย่างคล้ายๆกับหม้อ3ามใบเถาก็มีอยู่3ขนาดเนี่ยนะมีอยู่3ขนาดใช้ในอะไรเนะี่ยในฐานเดียวกันเนี่ยนะเรียกว่าบรรจุพันธ์อันเดียวก็บรรจุของในนั้นได้หลายหลายอย่างด้วยกันเรียกว่าซ้อนๆกันอยู่เรียกว่าเป็นการประมวลการสงเครานะห์นะี่ยนะการสงเคราะห์เนี่ยนะ ก็คือจานจัดกลุ่มนั่นเองจัดกลุ่มอะไรที่มันเข้ากันได้อะไรเป็นพวกเดียวกันเป็นต้นพันบารมีทั้งสิบเนี่ยนะถ้าโดยสภาวะก็มีอยู่แค่หกอย่างนั่นแหละหกอย่างมีอะไรบ้างก็คือทานศีลขันติวิริยะฌานและก็ปัญญามีอยู่หกอย่างทานคืออะไรก็คือตัวเจตนาใช่ไหมศีลก็คือเจตนาเวน้นกับเจตนาปฏิบัติอโทสะคือขันติ น, นะศีลก็คื อ, อ วิรตีเนี่ยเอาชมว่าทานทานก็คือเจตนาศีลก็คือวิรตีขันติก็คืออโทสะวิรยะก็คือวิรยะฌานก็คือสมาธิปัญญาก็คือปัญญามันโดยองค์ธรรมโดยสภาวะก็มีอยู่แค่หกอย่างเท่านั้นคือทานศีลคันติวิรยะฌานและปัญญาเหมือนบา ร, รมีมีอยู่สามเนี่ยนะสามมีอะไรบ้างก็บา ร, รมีอุปบา ร, รมีและปรมัธบารมี แล้วก็ถ้าจะจําแนกบารมีเป็นสิบก็เป็นทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาจริงอยู่ในบารมีเหล่านั้นเนคขมมะบารมีมีสงเคราะห์เข้าด้วยศีลบารมีเนคขมมะเนี่ยนะรวมอยู่ในพวกเดียวกันกับศีลอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะบรรพชาของเนคขมมะบารมีที่บวชมารักษาศีลก็เพราะมียทายาศัยใน เนคขมมะคนที่มีเนคขมมะทุศีนไหมไม่ทุศีลเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าศีนเนคขมมะเนี่ยสงเคราะห์ในศีลอยู่แล้วหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าสงเคราะห์ด้วยฌานบารมีเพราะสงัาจจากนิวรณ์เนคขมมะเนี่ยนะจะสงเคราะห์เข้ากับกลุ่มฌานก็ได้เพราะอะไรเพราะนับเนื่องในความสงัดจากนิวรณ์นั้นคนที่มีเนคขมมะจริงนั้นก็คือคนที่ นิวรณ์ไม่กลุ่มรมการมาฉันทาไม่กลุ่มรมพยาบาทีนามิธอุทะจักุกุจักวิจิกิจชามไม่กลุ่มรมนั่นเองสงเคราะห์แม้ด้วยทั้งหมดทั้งหกอ่ะนะเพราะความเป็นกุศลธรรมหกอย่างเนี่ยจะนับหนึ่งเหลือหนึ่งเลยก็ได้เพราะมันเป็นบุญทั้งหมดอะเป็นกุศลอย่างเดียวไม่มีอากุลเลยเรียกว่าบารมีนี่ไม่มีอากุลเลยเ็บอกว่าถ้าเราจะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์จะยอมฆ่าสัตว์ เพื่อสร้างบารมีบอกไม่มีการฆ่าเป็นต้นไม่มีการทู่ศีลไม่เป็นบารมีแม้แต่ข้อเดียวความตรนีก็ไม่เป็นบารมีความทู่ศีลก็ไม่เป็นบารมีจิตใจที่หมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรรมก็ไม่เป็นบารมีเนี่ยนะโง่เขางมงายเซะก็ไม่เป็นบารมีเนี่ยนะคนที่เกียดคร้านก็ไม่ใช่บารมีไม่มีความอดทนเลยก็ไม่ใช่บารมีเนี่ยนะจิตใจก็รนเรไม่ได้ตั้งมั่นอะไรเลยเนี่ยนะ ก็ไม่ใช่บารมีตลบตะแรงตอแห ล, ลก็ไม่ใช่บารมีเนี่ยนะแล้วก็เครียกว่าอะไรนะเมตตาเห็นแก่ปากแก่ท้องของตัวอย่างเดียวก็ไม่ใช่บารมีเนี่ยนะตลอดจนถึงเครียกว่าลําเอียงอยู่ตลอดเวลามีแต่อคติก็ไม่ใช่บารมีเนี่ยนะพะะนันบารมีทั้งหมดย่อๆลงมาก็เป็นกุศลอย่างเดียวท่านบอกว่าสัจจะบารมีนี้เป็นเอกเทศของศีลบารมีจริงๆสัจจะเนี่ยก็เป็น ดึงออกมาจากศีนเเลนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าสมมติว่าศีลเนี่ยมันเป็นภาชนะใบใหญ่หญๆนะแล้วก็มีอะไรซ้อนๆ่อซ่อยู่ในตัวอีกเยอะพันสัจจะก็ซ้อนอยู่ในศีลบารมีเพราะว่าสัจจะเนี่ยนะสมมติว่าศีลคืออะไรก็คือกายสุจริตกับวจีสุจริถินี้กายสุจริตมีสามวจีสุจิริสี่สัจจะบารมีก็ซ้อนอยู่ในแค่วจีสุจริตอันเดียวเพันศีล น, นี่กว้าง กายสุจเรตวจีสุจเรตส่วนสัจจะเป็นเน้นวจีสุจริตข้อเดียวเท่านั้นเพราะอะไรเพราะอยู่ในวจีวิรติสัจจะเนี่ยนะก็คือคําพูดที่เป็นสัจจวาจานั่นเองอัหนหึงสัจจะบา ร, รมีจะส่งเคราะห์เข้าในปัญญาก็ได้สัจจะบา ร, รมีนะเป็นปัญญาก็ได้เพราะอยู่ในฝ่ายแห่งญาณสัจจะยาณสัจจะ เมตตาบารมีสงเคราะห์เข้าด้วยฌานบารมีเท่านั้นเพราะว่าถ้าเจริญจนมีกําลังเนี่ยนะเมตตาเขาเรียกว่าเมตตาพรหมิหารหรือเมตตาฌานเมตตาเจโตวิมุตต์แบบนั้นเป็นเมตตาฌานเป็นเมตตาเจโตวิมุตต์นั้นเมตาก็สงเคราะห์เข้าในฌานบารมีเพราะฌานก็เป็นบารมีแม้อุเบขาบารมีก็สงเคราะห์เข้าด้วยฌานบารมีและปัญญาบารมี เมตตาบารมีสงเคราะห์เข้าด้วยฌานบารมีอุเบกขาก็สงเคราะห์เข้าด้วยฌานและปัญญาเพราะว่าแสดงว่าคนที่มีอุเบกขาจริงนั้นจะต้องต้องมีอะไรบ้างจะต้องมีฌานด้วยแล้วก็มีปัญญาอยู่ด้วยจึงจะมีอุเบกขาได้สมมติว่าคนที่จะมีอุเบกขาโดยเฉพาะอุเบกขาในพรหมมิหารด้วยแล้วเนี่ยนะจะต้องผ่านฌานที่หนึ่งสองสามจึงจะได้ฌานที่ 4เนี่ยนะสที่เป็นอุเบกขาพรอมิหานฌานแล้วก็ต้องมีปัญญาที่กล้ามากเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาอย่างจริงๆจะละสุขทุ ก, ทกโสมนัสโทมนัสเป็นต้นก่อนๆจะละอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นที่ตั้งแห่งทุกขไม่พยาบาทในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งทุกไม่ติดใจในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสุขได้อย่างไรเนี่ยนะอันอุเบกขาก็เลยสงเคราะห์เข้าในฌานและปัญญา ก็เป็นอันท่านสงเคราะห์อธิษฐานด้วยบารมีทั้งหมดเพราะอธิษฐานเนี่ยนะถ้าไม่มีการอธิษฐานถ้าไม่อธิษฐานจะให้ทานไหมคำว่าอธิษฐานนะบารมีกับขอคนละกลุ่มกันนะอธิษฐานก็คือตั้งว่าตั้งเพื่อจะให้ทานตั้งเพื่อจะให้อ่ตั้งเพื่อจะรักษาศีลตั้งเพื่อจะเจริญเนคคัมมะปัญญาวิริยะขันติ สัจจะเมตตาและอุเบกขาก็คือตั้งครัอธิษฐานก็คืออะไรก็คืออัตตะสัมมาปณิทิตั้งเพื่อจะเจริญบุญและกุศลนั่นแหละเพราะฉะนั้นอธิษฐานนั้นจึงเป็นบารมีเข้ากับบารมีทุกอย่างทุกประเภทอีกในหนึ่งเนี่ยนะบารมีเนี่ยจะเรียกนับเป็นคู่คู่ก็ได้เรียกเป็นคู่คู่เรียกว่าเรียกเป็นคู่นะระหว่าเป็นการสัมพันธ์แห่งคุณธรรมทั้งหมีทานเป็นต้นให้สําเร็จเป็นคู่คู่ ตรงนี้ยกมาตัวอย่าง15คู่คู่เขาเรียกว่าทุ ก, กะเนี่ยนะคู่เนี่ยนะว่าเป็นทุ ก, กะถ้า1เดียวเขาเรียกว่าเอกะถ้าเป็นคู่เขาเรียกว่าทุ ก, กะถ้าเป็น3เป็นหมวด3ามเาเรียกว่าติกะถ้าเป็นกลุ่ม4กลุ่มก็เรียกว่าจตุกะถ้ากลุ่ม5้าเาเรียกว่าปัญจกะอันนี้เรามาดูกลุ่มเป็นคู่คู่กันเนี่ยนะก็คือคู่ก็แปลว่า2ความสําเร็จแห่งคู่คือการทําและไม่ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์และ ไม่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยคู่แห่งทานกับศีลคือลักษณะทานก็คืออะไรคือทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั่นเป็นทานส่วนศีลคือไม่ทำลายประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ทำลายผลประโยชน์ของผู้อื่นนั้นเป็นศีลเรียกว่าการบาบัดทุกแห่งสัตว์อื่นนี่เป็นศีลเพิ่มภูณสุขแห่งสัตว์อื่นนั้นเป็นทานเนี่ยนะาน ทานกับคันติก็เข้ากันได้เช่นว่าทานคืออะไรก็คืออโลภะคันติก็คืออโทสะพันทานกับคันติจับคู่กันก็ได้เพราะทานคือธรรมที่มุ่งกาจัดความโลภขันติก็คือธรรมที่มุ่งกาจัดความกโกรธเนี่ยนะความสําเร็จคู่แห่งอะโลภะอโทสะก็คือทานกับคันติส่วนทานกับวิริยะก็ได้ว่าทานคือจากะ ส่วนวิริยะคือสุตตะเพราะอะไรเพี้ยนนะนีทานคือจากะวิริยะคือสุตตะเพราะว่าคนที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยขยันขยันทําอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอ่อคนที่มีสุตตะนั่นแหละจึงจะภาคเพียรพยายามที่ถูกต้องเนี่ยนะก็อย่างว่านะคนไม่รู้ทางแล้วให้เป็นคนนําหน้าพาเดินทางอะ่ะ พัน้าไม่มีสุตตะก็ฉันนั้นเนี่ยนะผู้ที่ไม่มีสุตตะในคําสอนแล้วให้เขาเป็นผู้นําในการปฏิบัติจะไปไหนก็เราถือว่าเสียหายมากฉันใดาจาคะจึงมาคู่กับสุตะก็คือทานกับวิรยิยะพันวิริยะตรงนี้อธิบายเป็นสุตะเนี่ยก็เป็นข้อที่น่าคิดเหมือนกันส่วนทานเนี่ยนะจะเข้ากับฌานก็ได้เพราะทานก็คือการสละวัตถุกรรม ฌานก็คือการสละโทสะออกไปทานคือการสละวัตถุที่น่าพอใจส่วนฌานทั้งหลายก็คือทำลายโทสะที่มีอยู่ในภายในเนี่ยนะทำลายข้าศึกภายในทำลายศัตรูภายในส่วนความสำเร็จแห่งคู่คือยานและเอกของพระอริยด้วยคู่คือทานกับปัญญาแสดงว่าทานนี่ก็เหมือนกับยานปัญญาก็เหมือนกับ แอกเนี่ยนะก็ถ้าพูดเป็นรถเนี่ยนะเขบอกว่าทานก็เหมือนกับส่วนไหนก็คือถ้าเป็นมองเป็นภาพรถโบราณหรือเกวียนก็ได้เนี่ยนะไอตัวรถทั้งหมดที่บรรทุกสิ่งของเนี่ยเหมือนกับทานไอแอกตัวดึงตัวลากอ่ะที่มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อ่ะตัวที่นําหน้าได้เหมือนกับกลุ่มพวงมาลัยทั้งหลายอันนั้นเหมือนกับปัญญาเรียกว่าทานจะเข้ากับปัญญาก็ได้อันนี้ชุดของทานเนี่ยนะทานเข้ากับศีลก็ได้ทานเข้ากับ ขันต ah so ิก็ได้ทานเข้ากับวิริยะก็ได้ทานเข้ากับฌานก็ได้ทานเข้ากับปัญญาก็ได้ก็เลยได้เป็น5คู่ห้าคู่เกี่ยวกับเรื่องทานนะนะเพราะทานนี่มาจับคู่กับศีลทานทานมาจับคู่กับศีลเพื่ออะไรทานคือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สัตว์ส่วนศีลก็คือทำลายสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้แก่สัตว์คือไม่ยอมทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลาย ส่วนทานกับขันติก็คืออะโลภากับอโทสะส่วนทานกับวิริยะก็คือจาคะกับสุตะเนี่ยนะส่วนทานกับฌานก็คือละกามกับละโทสะทานกับปัญญาก็คือยานที่บรรทุกกับแอกคือพวงมาลัยเนี่ยนะทีนี้มาขึ้นศีลเอาศีลมาเป็นตัวตั้งบ้างนะเรียกว่ามูละกับมูลีใช่เอาทานมาตั้งแล้วเอาสิ่งที่เหลือตามเรียกมูลีถ้าหากว่าเอา ศีลมาเป็นตัวตั้งบ้างเช่นศีลเนี่ยก็คู่กับขันติได้ไหมก็บอกว่าความสำเร็จสองอย่างคือความบริสุทธิ์แห่งประโยคะเป็นศีลความบริสุทธิ์แห่งอาสยะเป็นขันติเพราะว่าลักษณะของศีลเนี่ยก็คือคนที่บริสุทธิ์สะอาดทางกายและวาจาทั้งหลายเป็นคนกายก็สะอาดกายกรรมก็สะอาดวจีกรรมก็สะอาดส่วนขันติก็คืออาสยะคือมโนกรรมก็ สะอาดก็คือคนสะอาดทางกายวาจาและใจมันศีลคือสะอาดกายวาจาขันติก็คือสะอาดทางใจเนี่ยนะศีลจะคู่กับวิริยะก็ได้เนี่ยนะเพราะว่าศีล น, นั้นทำให้สำเร็จภาวนาทั้งสองเพราะว่าถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะถ้าไม่มีศีลกับวิริยะสมถะกับวิปัสสนาจะเป็นไปได้ไหมบอกว่าเป็นไปยากมันภาวนาทั้งสองคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั่นน่ะนะ การเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็ต้องมีศีลเป็นบาตมีวิริยะเป็นตัวอุดหนุนเนี่ยนะความสําเร็จสองอย่างคือละความทุศีลกับละความหมกมุ่นในกามทั้งหลายก็อาศัยอะไรอาศัยศีลกับฌานศีลเป็นตัวละความทุศีลฌานก็คือสละความหมกมุ่นในกามเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าคู่ศีลกับคู่ของฌานส่วนศีลกับคู่ของปัญญาคืออะไร คนที่สำเร็จทานทั้งสองคู่คือศีลกับปัญญาก็เนื่องจากว่ามีศีลกับมีปัญญานั่นแหละจึงให้ทานให้ทา น, ใ ห, ทานให้ทานทั้งสองทานทั้งสองคืออะไรบ้างศีลก็คืออภัยทานมีปัญญาก็คือการให้ธรรมทานบอกความสำเร็จแห่งทานทั้งสองก็คือศีลกับปัญญาศีลคืออภัยทานปัญญาคือธรรมทานทั้งหลาย จริงๆนะถ้าเรามาไล่ใหม่นะทบทวนอีกนิดหนึ่งจะเข้าใจดีก็มีอะไรมีอยู่ห6อย่างใช่ไหมคือทานศีลขันติวิริยะฌานและปัญญาทีนี้เอาทานมาเป็นตัวตั้งทานบวกศีลทานบวกขันติทานบวกวิริยะทานบวกฌานทานบวกปัญญาเนี้มาขึ้นศีลศีลบวกขันติศีลบวกวิริยะศีลบวกฌานศีลบวกปัญญาเนี้ขันติบวกวิริยะขันติบวกฌานขันติบวก ปัญญาวิริยะบวกฌานวิริยะบวกปัญญาฌานบวกปัญญาเนี่ยนะก็ะจะไล่มาเป็นคู่คในลักษณะนี้เนี่ยมาดูคู่ของอะไรขันติกับวิริยะเนี่ยนะมาขึ้นขันติกับวิริยะว่าขันติคืออะไรก็คือความอดทนใช่ไหมความอดทนอดกลั้นส่วนวิริยะก็คือความมีเดชเดชทั้งหลายเนี่ยนะคนที่มีความภาคเพียรพยายามนี่คือคนที่มีเดช ส่วนคันติกับฌานนะ่ะคันติคืออะไรก็คือคู่แห่งวิโรธะคือความพิโรธและอนุโรธะความคล้อยตามขันติเนี่ยนะเป็นตัวที่วิโรธะนี่แปลว่าอะไรปฏิปักษ์ใช่ไหมปฏิปักษ์เพราะอะไรคันติเป็นปฏิปักษ์กับอะไรขันติเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธฌานนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภคล้อยตามด้วยอำนาจวัตถุกรรมเนี่ยนะฌานนั้นจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภ ถ้าขันติกับปัญญาล่ะขันตินั้นขันตินี้แปลว่าอดทนในการเพ่งความว่างจากความเที่ยงสุขยั่งยืนและอัตตาส่วนปัญญาก็แทงตลอดความว่างเห็นความไร้สาระจากความเที่ยงสุขยั่งยืนและอัตตาอันนี้เป็นคู่แห่งขันติกับปัญญ า, าแล้วคู่แห่งวิริยะกับฌานนะก็บอกว่าวิริยะก็คือปัจข ะ, ะการประคอง วิริยะคือการประคับประคองส่วนฌานทั้งหลายก็คืออวิคเขปะความไม่ฟุ้งซ่า น, นนะวิริยะประคับประคองฌานก็คือความไม่ฟุ้งซ่านส่วนวิริยะกับปัญญาละ่ะวิริยะก็บอกว่าทำให้สำเร็จคู่คือสาระทั้งหลายก็ ค, คนที่มีปัญญากับมีวิริยะนี่แหละที่จะทำให้ตั้งมั่นอยู่ในสาระสิ่งที่ควรยึดถือทั้งหลายคือ กุศลธรรมนั่นเองนะสารณะก็คือยึดถือในการเจริญบุญกุศลอย่างไม่ละส่วนก็บอกว่าความสําเร็จหมวดสองคือยานทั้งคู่อันนะยานด้วยคู่ยานคืออะไรฌานกับปัญญาฌานก็คือฌานคือสมถะปัญญาก็คือวิปัสสนาพันฌานกับปัญญาก็เป็นคู่กันคือสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปเนี่ยนะคิดดูนะฌานบวกศีล น, นี่นับหนึ่ง ทานบวกขันติก็เป็นสองทานบวกวิริยะก็เป็นสามทานบวกฌานก็เป็นสี่ทานบวกปัญญาก็เป็นห้าศรีนบวกขันติเป็นหกศรีลบวกวิริยะเป็นเจ็ศรีลบวกฌานก็เป็นแปดศรีนบวกปัญญาก็เป็นเก้าขันติบวกวิริยะเป็นสิบขันติบวกฌานก็เป็นสิบเอ็ดขันติบวกปัญญาก็เป็นสิบสอง วิริยะบวกฌานเป็น13วิริยะบวกปัญญาเป็น14ชฌานบวกปัญญาก็เป็น15ก็เลยเรียกว่า15คู่เนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมด15คู่นี่ต่อไปบอกว่าความสำเร็จหมวดทติกะบ้างอะนะติกะเมื่อกี้หมวดสองเลใช่ไหคือคือบารมีเนี่ยนับหนึ่งก็ได้คือกุศลทั้งหมดเพราะอะไรนับหนึ่งก็คือทานศีลขันติวิรยิยะฌานก็เป็นทั้งหมดเป็นกุศลอย่างเดียว ถ้ามานับเป็นคู่ๆก็เข้ากันได้สิบห้าคู่ดังที่กล่าวไปถ้านับเป็นหมวดสามบ้างล่ะถ้านับมาจับกลุ่มเช่นทานศีลบวกคันติเนี่ยนะก็คือเอามาตั้งเลยสามเช่นทานศีลคันติมีอะไรบ้างก็คือทานคืออะไรทานก็คือการละโลภะศีลคือการละโทสะคันติก็คือละโมหะเออความอดทนนี่ละความโง่นะคนโง่นี่อดทนไม่ได้ ไม่มีความสู้ทนไม่มีน้ำจิตน้ำใจที่จะอดทนเพราะคนที่อดทนอยู่ได้ก็เพราะขันติเนี่ยนะนะเพราะไม่มีโมหะเพราะละโมหะเพราะรู้นะคนที่อดทนได้ก็คือคนที่รู้อะไรเป็นอะไรเนะนะนี่ยนะพราะนั้นท่านบอกว่าความสำเร็จแห่งหมวดสามคือการให้สิ่งที่เป็นสาระให้สมบัติให้ชีวิตให้ร่างกายก็ด้วยทานศีลและวิทยะ คนที่สละสมบัติออกไปได้แปลว่าให้ให้สมบัติทั้งหลายได้ก็เพราะมีทานคนที่สละชีวิตได้ก็เพราะมีศีลคนที่สละร่างกายได้ก็เนื่องจากมีวิริย ะ, ะถ้าพูดตามบุญยะกิริยาวัตถุสามทานก็คือทานศีลก็คือศศนฌานก็คือภาวนาเนี่ยนะทานศีลภาวนาก็คือทานศีลและฌาน หรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าทานศีลปัญญาก็คืออะไรทานก็คืออมิสทานการให้วัตถุทั้งหลายศีลก็คืออภัยทานให้อภัยทั้งหลายปัญญาก็คือการให้ธรรมทานเนี่ยให้สําเร็จเป็นธรรมทานอันนี้เขาเรียกว่านัเป็นหมวด3ามใช่ไหมทานศีลขันติทานศีลขันติทานศีลวิริยะทานศีลฌานทานศีลแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะ ก็นับแค่ว่า เ, าเอาเอาทานกับศีลตัวตั้งแล้วก็ตามด้วยคันติทานศีลบวกวิริยะทานศีลบวกฌานทานศีลบวกปัญญานั่นเองก็เรียกว่าเป็นหมวดสามจตุกะก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะก็จะนับเป็นหมวดหนึ่งก็ได้หมวดสองหมวดสามหมวดสีหมวด 2, ห้าก็ได้เนี่ยนะถ้านับเป็นหมวดหได้ไหมได้ข้อเดียวก็อหก็คืออะไรก็คือทานศีลคันติวิริยะฌานปัญญาก็นับหกพอดี ทีนี้เพิ่งทราบการสงเคราะห์ด้วยอธิฐานธรรมสแห่งบารมีเหล่านั้นถ้เราเอาบารมีเอาบารมีทั้ง6มาเนี่ยนะเอาบารมีทั้งหคืออะไรบ้างทานศีลขันติวิริยฌานปัญญามาลงอธิฐานธรรมสี่ทาเป็นที่ตั้งสี่เนี่ยนะทำเป็นที่ตั้งทั้งสี่เนี่ยเรียกว่าการสงเคราะห์ด้วยอธิฐานธรรมสี่แห่งบารมีทั้งหจริงอยู่อธิฐานธรรมสี่รวมบารมีไว้ทั้งหข้อ รวมบรารมีอะไรบ้างอธิฐานธรรมสี่เนี่ยรวมทั้งทานสีขันติวิริยฌานและปัญญาอธิฐานธรรมสี่มีอะไรบ้างคือสัจจาทิฐานก<ะ>ารตั้งไว้ด้วยสัจจะการตั้งไว้ด้วยจาคะการตั้งไว้ในความสงบแล้วก็ตั้งไว้ในปัญญาเรียกว่าตั้งไว้ในสัจจะตั้งไว้ในจาคะตั้งไว้ในความสงบอุปสมะเนี่ยนะและตั้งไว้ในปัญญา ในอธิษฐานธรรมเหล่านั้นอธิษฐานเพราะอะไรเพราะเป็นเหตุตั้งมั่นตัวที่ทําให้ตั้งมั่นเนี่ยนะสัจจะนี่แหละทําให้ตั้งมั่นอยู่ได้จาระทําให้ตั้งมั่นความสงบทําให้ตั้งมั่นปัญญานี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ตั้งมั่นเนี่ยนะครับพวกว่าตัวยึดนะนะตัวยึดที่ทําให้มันตั้งมั่นหรืออีกนายหนึ่งเขาบอกว่ารำที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งเช่นมีสัจจะเป็นที่ตั้งเรียว่าตั้งไว้ด้วยสัจจะตั้งไว้ด้วยจาระตั้งไว้ด้วย อุปสมะหรือตั้งไว้ด้วยปัญญาหรือเป็นแต่ตัวที่มันเองตัวมันเองอ่ะคือตัวที่ตั้งมั่นคือตัวสัจจะลำพังตัวมันเองก็เป็นสิ่งที่ตั้งมั่นถ้สมมุติว่าเราจะคบกับใครเนี่ยดูถ้าคนไหนมีสัจจะคนนั้นมั่นคงใช่ไหมถ้าใครมีสัจจะเราเห็นความมั่นคงในคนนั้นหรือนักเสียสละทั้งหลายเราก็เห็นความมั่นคงของผู้เสียสละหรือคนที่ยึดดํารงอยู่ด้วยความสงบก็คือคนที่มีความ ตั้งมั่นอยู่ในความสงบหรือคนที่มีปัญญาเนี่ยนะเราจะรู้ว่าเขาก็เป็นคนที่ตั้งมั่นด้วย อ, อำนาจของปัญญาวันสัจจะจากข้าอุปสมะปัญญาจึงเป็นธรรมที่ตั้งมั่นดำรงมั่นในอธิบายตามลำดับเพิ่มว่าสัจจาที่ฐานเพราะสัจจะและอธิฐานท่านจะแยกคำนะสัจจะด้วยเป็นอธิฐานด้วยหรือเป็นที่ตั้งแห่งสัจจะ แปลว่าอธิษฐานเนี่ยนะอธิฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งสัจจะหรือเพราะมีสัจจะเป็นที่ตั้งอธิฐานเนี่ยนะมีสัจจะเป็นอธิฐานก็คือมีสัจจะเป็นที่ตั้งไออันอื่นก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะก็คือจาคะและอธิฐานหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งจาระหรือว่ามีสัจมีจาคะเป็นอธิฐานคือที่ตั้งเป็นต้นในลักษณะเดียวกันนะนะ ในอธิฐานธรรมเหล่านั้นโดยไม่ต่างกันที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นการพูดแบบไม่ต่างกันถ้าต่างกันล่ะสัจจาที่ฐานการตั้งไว้ด้วยสัจจะก็กำหนดเอาบารมีทั้งปวงสมควรแก่ปฏิญญาของพระมหาสัจผู้อนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์สะสมบุญญาพินิหารในโลกุตระคุณก็แปลว่าอะไรก็สัจจะตั้งไว้ในสัจจะแล้วว่าจะบำเพ็ญบารมีทั้งหมดตามสมควรแก่ปฏิญญา กล่าวไว้แล้วว่าจะให้ทานโดยไม่มีส่วนเหลือเหมือนให้ทานดุดมอควมจะรักษาศีลโดยไม่มีส่วนเหลือเหมือนนกต้อยติเหมือนจามารีรักษาขนหางจะเจริญเนกขมมะเหมือนคนที่มีใจที่จะออกจากคุจะอบรมปัญญาเหมือนพระพิสุแสวงหาอาหารบินทบาดจะเจริญวิริยะเหมือนราชสีองอาจเนี่ยนะ จะมีขันติเหมือนกับแผ่นดินจะมีสัจจะเหมือนดาวประกายเพลคที่โคจรแน่นอนแล้วก็มีอธิษฐานตั้งมั่นเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะมีขันติมีขันติเช่นกับเป็นเช่นกับแผ่นดินมีเมตตาเช่นกับน้ำเนี่ยนะมีอุเบกขาเช่นกับแผ่นดิน มันก็ประวัติปฏิญาณเลยว่าจะต้องทําเช่นนั้นให้ได้แล้วท่านก็ทําได้จริงการกระทําทั้งหมดก็เพื่ออนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็บุญทั้งหมดที่ทำเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขมปัญญาวิริยะคุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นการสะสมเพื่อให้สําเร็จความปรารถนาในโลกุตระคุณเรียกว่าตั้งไว้เพื่อให้โดยเฉพาะอารหัตตมรักเนี่ยนะอรหัตตมรักษ์พิเศษที่เป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยาน ส่วนอธิษฐานธรรมต่อไปเครียกว่าจารคาที่ฐานตั้งไว้ด้วยจารคะการตั้งไว้ด้วยจารคะก็เพราะสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษต่อสัจจะเพราะว่าสิ่งที่ตัวจะมาทําลายสัจจะนี่มีเยอะเช่นว่าจะให้เนี่ยนะเช่นก็ถูกคนห้ามว่าจะรักษาศีลก็อุปสรรคขัดข้องเยอะแยะไปหมดว่าจะเจริญเนคขมมากก็วุ่นวายจะเจริญปัญญาก็ยาก น, นะมันเป็นปฏิปักษไปทุกเรื่องไปหมดเพราะฉะนั้นจารค่าก็เลยสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษต่อ ต่อสัตจะกส่วนอุปสมาที่ฐานก็เพราะสงบจากสิ่งที่ไม่เป็นคุณต่อบารมีทั้งปวงเพราะสงบอะไรสงบสิ่งที่ขวางต่อทานสงบสิ่งที่ขัดขวางต่อศีลสงบสิ่งที่ขัดขวางต่อขันติสงบต่อสิ่งที่ขัดขวางกับวิริยะสงบต่อสิ่งที่ขัดขวางกับฌานสงบสิ่งที่ขัดขวางปัญญาเรียกว่าสงบอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็เจริญกุศลธรรมอยู่ด้วยความสงบ ส่วนปัญญาที่ฐานเรียกว่าตั้งไว้ด้วยปัญญาก็เพราะเป็นผู้ฉลาดในอุบายอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยอธิฐานธรรมเหล่านั้นว่าเออเนี่ยจะช่วยผู้อื่นช่วยด้วยสัจจะช่วยด้วยจา่าฆ่าหรือช่วยด้วยความสงบเนี่ยนะก็คือรู้เอาบรู้เลยว่าจะทําอุปการะให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้อย่างไรอันนี้ก็อนุภาพของปัญญาเพราะผู้ที่มีปัญญานั่นแหละจึงจะช่วยเหลือตัวเองให้ประสบความสําเร็จช่วยเหลือผู้อื่นให้ ประสบความสำเร็จเนื่องจากมีปัญญาดังนั้นปัญญานั้นจึงเป็นเหตุให้ได้สัจจะจาคะและอุปสมะที่กล่าวไปทั้งหมดเรียกว่าพูดแบบไม่แตกต่างกันนะพูดแบบรวมๆคลุมไว้ทั้งหมดเลยทีนี้ถ้ามาไล่ว่าเอาเอาธรรมะทั้งหกเนี่ยนะเอาอะไรมัางมาหกก็คือเอาหกทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญามากระจายโดยอธิฐานธรรมสี่ มากระจายเนี่ยนะก็คือเช่นทานคูณอธิฐานธรรมสี่ศีลคูณอธิฐานธรรม4ี่คันติคูณอธิฐานธรรม4วิริยะคูณอธิษฐานธรรมสี่ฌานคูณอธิษฐานธรรม4ี่ปัญญาก็คูณอธิฐานธรรม4ี่ยังพูดถึงทานเนี่ยนะทานที่เป็นประทัดฐานแห่งอธิฐานธรรมสแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเทระว่าเอาทานเนี่ยมาเป็นตัวจำแนกจำแนกตามแนวอธิฐานธรรมสี่จำแนกอย่างไร จำแนกโดยสัจจะก่อนว่าเพราะปฏิญญาว่าเราทั้งหลายจักไม่ให้ทายกผิดหวังพูดเลยนะว่าฉันจะไม่ทําให้เธอผิดหวังว่าจะให้พูดว่าจะให้ก็ต้องให้สิจะพูดให้ผู้รับผิดหวังได้อย่างไงอันนี้เป็นสัจจะที่ฐานตั้งไว้เลยตั้งว่าจีสัจจะว่าจะไม่ทําให้ผู้รับผิดหวังแล้วก็เลยมีจาระที่ฐานก็ข้ออะไรเพราะให้อย่างที่ปฏิญญาเอาไว้ได้ให้จริงๆด้วย เรียกว่าจาคาทิฐานเพราะให้ไม่ผิดปฏิญญาเพราะอนุโมทนาแบบไม่ผิดทานเอ่อโทษทีนะว่าสัจจาทิฐานก็คือปฏิญญาว่าเราจะให้โดยที่ยาจกไม่ผิดหวังแล้วก็ให้แบบไม่ผิดตัวคำพูดที่ตัวเองได้พูดไปแล้วเพราะอนุโมทนาแบบไม่ผิดทานเพราะในที่สุดได้ออนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นเรียกว่า ทาย ก, ก็ไม่ผิดหวังได้ให้อย่างไม่ผิดปฏิญญาและในที่สุดก็ได้กลับมาอนุโมทนาในที่สุดได้อนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นจนได้เลยได้อนุโมทนาบุญที่ได้ทาอย่างแท้จริงได้ตามระลึกนึกถึงได้อย่างแท้จริงเพราะสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมัชชริยะเป็นต้นอันนี้เป็นการให้ทานเนี่ยนะก็เป็นทั้งสัจจาทิฐานใช่ไหมเ พ, เพราะปฏิญญาแล้วไม่ให้ทายกไม่ให้ผู้รับผิดหวัง แล้วก็เป็นจาคาทิฐานเพราะสละเพราะสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความตรนีเป็นต้นก็คือสละความตรนีออกไปได้แล้วก็เป็นอุปสมาทิฐานขณะที่ให้ทานนี้เป็นอุปสมะนะสงบสงบอะไรสงบจากภัยคือรา ค, าสาคะสงบจากภัยคือโทสะสงบจากภัยคือโมหะในทายธรรมโลภะในวัตถุที่น่าพอใจนี่มันน่ากลัว วัณพาที่น่ากลัวคือโลภะภัยที่น่ากลัวคือโทสะภัยที่น่ากลัวคือโมหะนะนะโลภในทายรรมโกรธผู้รับไม่พอใจในผู้รับหรือโง่เขลาไม่รู้กรรมและผลของกรรมทั้งหลายเพราะว่าความโลภเนี่ยโลภในทายรรมความโกรธโกรธกับผู้รับความหลงคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวว่าเสียของไปเปล่าๆ พันอุปสมาก็คือสงบโลภโทสะและโมหะได้อย่าลืมนะโลภคืออะไรติดในวัตถุเหล่านั้นโทสะกลัวผู้รับจะได้โมหะกลัวสิ้นของกลัวจะหมดไปเฉยๆก็เลยไม่ให้เพราะมั้นก็ต้องสงบโลภโทสะและโมหะได้การให้ทานจึงจะมีได้แล้วก็การให้ทานเนี่ยให้ด้วยปัญญาปัญญาที่ฐานก็เพราะอะไรให้ตามสมควรแก่การ เช่นการไหนควรจะให้อะไรเหมือนกับว่าการถวายของพระภิกษุเนี่ยนะยกตัวอย่างว่าเช้าควรถวายอะไรสายควรถวายอะไรบ่ายควรถวายอะไรตอนเย็นควรถวายอะไรกลางคืนถวายอะไรได้บ้างเคือเรียกว่ารู้ของว่าเออถวายเวลาไหนควรจะถวายอะไรเคือเรียกว่าถวายตามการแล้วก็เรียกว่าถวายแบบรู้วิธีอันนั้ถ้าจะถวายสิ่งเนี่ยวิธีถวายเขาถวายอย่างไรเพราะอะไรเพราะมีปัญญาเนี่ยนะคือเรารู้มีปัญญาแล้วให้ตามสมควรแล้วก็ให้อย่าง ถูกวิธีโดยไม่ผิดพลาดและเสียหายก็เพราะมีปัญญาดันั้นการให้ทานเนี่ยนะถ้าจำแนกตามของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ให้ตามสัจจาธิฐานให้ตามแนวจารคาทิฐานให้ตามแนวอุปสมาธิฐานและก็ให้ตามแนวของปัญญาทิฐาน